ดุดลาชะลดที่คนเขาคนหลงกำลังมุกอยู่ผู้มีปัญญาหาค้องอยู่ไหมโลกโลกไปใชยแผ่นดินโลกคือกายอันกลวงสอกยาววานาคืบไม่กายไม่ีกิดรู้อะไรได้ เราจึงมาเรียนให้มันจบโลกอันนี้ให้มันก็จบเป็นมันมีอะไรหลายอยา่างมันมีบาปมันมีบุญมันมีภพภูมิต่างๆไม่เหมือนสัตว์ใราชานการมาดูก็คือมีสติสติเหมือนดวงตา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 ความไม่จริงมันก็แสดงความจริงมันก็แสดงแสดงหลายฉากมันออกมาแสดงออกมาโชว์บาทีเราก็หลงไปการตามการแสดงของกายของกิิตที่จริงเขาเป็นอย่างนั้นเพ <c oughs> <c oughs> ว่าไม่มีใครดูแลเขามานานเขาก็แสดงตามฉากต่างๆจน เขาํำนิจํำนานทำให้เราหลงส้นหลงทิศทางไปกับเขาเราถ้าเรามาดูเราจะได้ความฉลาดความฉลาดใต้ปัญญามันก็เกิดขึ้นจากการแสดงของกายของกิตเช่นเราไม่กายเราก็หลงไปกับกาย การดูนี่ยก็เหมือนกับว่ามันรู้แลละรู้แจ้งแล้วุรธเจ้าเห็นก่อนใครทั้งหมดกายสภกวากายไใช่สัตว์ปุคคลตัวตนเราเขาเป็นอย่างนั้นถ้ายังเป็นตัวเป็นตนอยู่กับกายก็ถูกมันครอบงำเราเป็นธาตุของกาย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 ถ้าเป็นกายรุนรุนแต่ว่ามันยังมีอีกซ่อนขึ้นมาหลายอย่างมีเวทนามีาสุขม่ทุกข์มีอะไรต่างๆอยู่บนกายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยถ้าได้บุกออกไปเป็นช่องเป็นทางไปสักหน่อยมันก็เป็นทางไปรู้ไปเห็นไปมันก็บอกเรากายมันบอก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 เป็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนไม่ต้องมีอะไรพิสูจน์ในความไม่เที่ยงมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นในความเป็นทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้นมันตรงตรงมันก็โชว์ให้เราเห็นตรงตงในความไม่ใช่ตัวตนมันก็โชว์ให้เราเห็นตรงตรงแต่ เ, เราก็ไปหลงตรงในบางเอามาเป็นสุขเรามาเป็นทุกข์เรามา ดีใจเสียใจกับความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความเป็นทุกข์ส่องความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงเพอให้เป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนว เ, น เ, นมมเพให้เป็นทุกข์แทนที่จะฉลาดแทนที่จะเห็นแจ้งนั่นก็ได้บทเรียนได้บทเรียนเห็น ควเท็จความจริงในความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงในความไม่ใช่ตัวตนมันก็ซ่อนขึ้นมาในกายในจิตแต่ว่าวิธีศึกษากรรมฐานเนี่ยมันมีขั้นตอนดีดีมันมีทางดีดีทางดําเนินไปดีดีว่าแต่อย่าออกจากทาง อางทีมันชวนลู่ชวนเห็นมันสุกก็ชวนให้สุกมันลู่ก็ชวนให้ลู่ <c oughs> มันก็อย่าหลงไปให้ดูไปก่อนให้มาสร้างตั้งที่หลักก่อนเอามาตั้งที่หลักเดิมไปก่อนมันทุกข์ก็มาตั้งที่กายให้ลู่สึกที่กายไปก่อนมันสุกก็มาตั้งไว้ที่กายเถอะมีอ่ามีหลักมันจึงเกิดเดินไป ถ้าไปสุกไปทุกไปรู้ลงมันไม่ได้ไปไหนมันก็จบจุดตรงนั้นเมื่อมันจบยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้ผ่านพ้นไปที่ไหนถูกกับถูกขังแต่เรากลับมาตั้งไว้มีสติมาตั้งไว้ใส่ใจที่จะรู้สึกตัวอยู่มันก็ไปของมันเองมันก็เห็นอะไรมันก็เห็นไปเองก็ลูกตัวนี้ ตัวรู ords, там, aka, ้สึกต <ido eles> ัวเหมือนมักเหมือนทางเหมือนไปเรื่อยตัวรู้สึกตัวน่ะไปเรื่อยเรื่อยผ่านความหลงผ่านความรู้ผ่านความสุขผ่านความทุกข์ผ่านความผิดผ่านความถูกตัวรู้นะผิดมันก็รู้นะถูกมันก็รู้เลยทุกมันก็รู้นะสุขมันก็รู้เลยรู้มันก็รู้ไม่รู้มันก็ไม่รู้อ่าเรียกว่าผ่านถ้ารู้ไม่ผ่าน สุขก็ไม่ผ่านถ้าทุกข์ก็ไม่ผ่านวิธีที่จะทําให้เราไม่ผ่านวิธีที่ทําให้เราผ่านก็กลับมารู้สึกตัวนะ่ะในหลักทํำมนเดียวเนะี่ยไปไปได้อะไรก็ตามกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัววิธีที่จะรู้สึกตัวก็ดีเหลือเกินบับพะบระพระพุทธเจ้าว่าบับพระ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 ก้าวไปได้ผ่านไปได้มันมีวัตถุที่จะทำให้เราเข้มแข็งไม่ต้องมีเครื่องโยกโกลน์ก็เหมือนเรือบินที่เขาวิ่งวิ่งอยู่เอากาศเรือมันวิ่งอยู่ในน้ำนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาก็อาศัยอย่างนั้นเขาก็วิ่งไปได้แต่ว่ากายขาเราเดินอยู่บนดิน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 <c oughs> ไม่ต้องไปใช้อะไรในชีวิตจิตใจของเราเลก็แล้ในกิดมันก็มีกิตในสติมันก็มีสติสติมันก็กำจัดความบือบืึอความหลงไปเลยโอ้ใดไม่เพียนเพ่งอยู่มีสติมันพระพุทธเจ้า ผู้มีเพียนเพ่งอยู่ผินิดเพ่งอยู่เมื่ออะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจกิเลสมานกันธรมานมัจจุมานสังขารมานเทพบุตรมานก็มีสติมีเพียนเพ่งอยู่มีสติอยู่ก็เหมือนพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์ พ่นจากทองว่าทำลายความมืดได้ฉันได้ตัวไม่เพียนเพีงอยู่ก็ทำลายความหลงได้ฉันนั้นในสติอยู่ในสติอยู่ก็ทำลายมานเสนามานมัจุมานได้เหมือนอ้อยเหมือนช่างที่กินอ้อย เหมือนช่างที่กินอ้อยมวนอ้อยเข้าในปากเป็นความง่ายดายฉะนั้นนี่เขาบอเพียรมีสติใส่ใจที่จะลู่อยู่เสมอและลู่อยู่เสมอตรงนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในขณะที่เราลู่อยู่มันก็เหมือนช่างกินอ้อยเหมือนแสงพผยจิตคาจัดความมืดเป็นอย่างนั้น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 จุดหมายปลายทางคือหลุดพ้นหมอนพระพุทธเจ้าตรัส ว, ว่าไม่ใช่พร <c oughs> มจันน้ไม่ใช่ลาบสักระเสียงสลเสริญเยินโยไม่ใช่เจ้าลัทิณิกายพวกพ้องไม่พวกพ้องบริวารไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่า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 อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในกายในจิตแหลเราเห็นเนี่ยเราไม่เข้าไปเป็นกับมันให้เป็นพรห ม, มจรรย์แต่ว่าเมื่อเห็นมันก็พ้นแล้วพ้นไปแล้วพ้นจากทุกอย่างถ้าเห็นเป็นเราไม่พ้นวิธีปฏิบัติเนี่ยการเจริญสตินี่ตรงตรงตรงในลักษณะของการหลุดพ้น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 ที่เราทำเนี่ยสามารถปรับให้ลู่ชัดได้พิกมันก็พิกเกิงๆมือเนี่ยตั้งไว้มันก็ตั้งเก่งๆมันเห็นการลู่อย่างนี้มันไม่มีคําถามตั้งไว้จริงๆลู่ยกขึ้นมันก็ลุกยกเก่ง ๆ, ๆเลยมันปรับให้ลู่กลับเข้ามาตั้งหลักที่ตั้งเรียกว่ากรรมเป็นฐานเป็นฐานเป็นที่ตั้งเรียกว่ากรรมกรรมาฐานด้วย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 ให้รู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวอย่าไปแก้มันอย่าไปแก้อย่าไปอยากได้เวลามันทุกข์ไม่อยากได้ความทุกข์เวลามันสุขอยากได้ความสุขใหายตองให้เรารู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยรู้สึกตัวเรากลับมาตัวกลับมาเนี่ยกลับมารู้ตัวเนี่ยนี่จะพาให้เราเก่งก็จะว่าเรามานเก่งหรือว่าทําให้เรา อ่าม่ฐานมีหลักการกลับมาลูปบ่อยๆการกลับมาลูปบ่อยๆเนี่ยตัวนี้เลยว่ากรรมที่มันเป็นหลักเราทำกรรมตัวนี้กรรมตัวนี้ก็ละบาละใต้ทุกอย่างถ้าเรากลับมาลูบกลับมาลูบไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่าเพิ่งหยุดความเพียรมันเกิดอะไรขึ้นอย่าให้เขาดึงไปยังายกลับมาตั้งที่หลักเหมอน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 รู้อยู่นี่ยกลับมารู้อยู่เนี่กลับมารู้อยู่เ น, นี่ความหลงมันไหลมาก็กลับมารู้อยู่เนี่ยความทุกข์ความสุขมันไหลมาลกรู้อยู่เนี่ยสันตติมันเกิดหลายอย่างนะมันเกิดได้หลายอย่างขณะที่เรามีสติยิ่งมันแข็งมีสติสร้าง ส, างสติมันยิ่งคิดเวลาไม่ได้สร้างสติมันก็ไม่คิดเวทนามันก็โชว์เหลือเกินแต่ก่อนนี่เรามีอะไรบังไว้ เช่นเวทนาเนี่ยอริบทบังไว้ไม่ค่อยเห็นชัดๆอริบทเขาคืนยืนเดินนั่งนอนพิบตาหายใจเคลื่อนไหวอะไรต่างๆมันบังเวทนาในสุขในทุกมันก็เอาวิชามันไม่ไม่มีสติมันหลงมันหลงเกีงสุขเพราะมันหลงเกี่ยงทุกพวามรู้โล้วความสุขความทุกข์มันบังไม่ได้เพราะไม่มีความหลง มันบังไม่ได้ไม่ต้องไปแย่มันอันสุกอันทุกไม่ต้องไปอยากได้ไม่ต้องไปห า, ไ, ไ, ม ไ, ปหาไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเ as, บื่อกับมันเบื่อทุกเบื่อแล้วไม่ใช่ไ่สร้างจติตใอย่างเดียวอย่าไปถึงความเบื่ออย่าไปถึงความชอบอย่าไปถึงความผิดอย่าไปถึงความถูกอย่าไปถึงความได้อย่าไปถึงความเสียรู้เฉย โอ้ยมาเหนือมาเหนือชั้นเลยภูมิถ้าเป็นนักลบกวทยภูมิถ้าได้ชัยภูมิดีๆมันก็ชนะได้ถ้าชัยภูมิไม่ดีก็ชนะไม่ได้ <c oughs> เราเจริญสตินี่สตินี่เรามาตั้งไว้ที่กายเป็นชัยภูมินะตั้งตรงนี้ตั้งตรด น, รนี้พระพุทธเจ้า ได้ขี้ไว้ชัดเหลือเกินเริ่มแรกเอามาตั้งไว้ที่กายพรากายมันก็มีติมาตั้งไว้ที่กายพอตั้งไว้ที่เนี่ก็ไปล่อยได้แล้วทังดูกายเห็นจิต ด, ดูคิดเห็นธรรมดูกายเห็นจิต ด, ดูคิดเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นพระพุทธเจ้าคําว่าธรรมมีเยอะแยะกุศลก็มีอกุศลก็มีกุศ <c> ล <oughs> ก็คือ ความเฉลียวฉลาดเป็นความสงบเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาฝ่ายกุศลฝ่ายกุศลก็ความโลภความโกรธความหลงความหลงก็มีความไม่หลงความโกรธก็มีความไม่โกรธความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ความเกิดก็มีความไม่เกิดความแก่ก็มีความไม่แก่ความเก็บก็มีความไม่เก็บความตายก็มีความไม่ตายอย่างพระท่านสวดมาติกาม กุศลธรรมะทำที่เป็นกุศลอกุศลธรรมะทำที่เป็นอกุศลอภยากระตาธรรมะทำที่ยังไม่เป็นกุศลทำที่ยังไม่เป็นอกุศลมันเป็นคู่เห็นธรรมเห็นอย่างนี้ความหลงมีความไม่หลงก็มีความโกรธมีควาไม่โกรธความมีเห็นจะมีสติมันก็ผ่านไปมันก็ผ่านไป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 ออกจากพระโอษฐ์โกนธั ญ, ญะสัมผัสโลโูบลูบเที่ยงไหมไม่เที่ยงอัญญากนธัะก็ตอบไปเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงเสียงไหนไม่เที่ยงเสียงนั่นก็เป็นทุกข์เสียงไหนเป็นทุกข์เสียงนั่นก็ไม่ควรไปยึดไปถือเอ้ามันบอกไปเลยน ทุกข์มันก็บอกสุขมันก็บอกสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็บอกเห็นสมัมผัสไปค่ายๆกับตอบในใจว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วพรุทธ เ, เจ้าแสดงไว้ก็รู้แล้วใม้บางทีเราปฏิบัติขณะที่เราปฏิบัติทางหลงพ่อเทียนเทศไปบางทีมันพูดไปก่อนหลวงพ่อเทียน พูดไปก่อนเพราะมันเกิดแนวร่วมกับคําพูดหลงโพูดเถียนพูดเกิดแนวร่วมฟังไปแต่ว่าเราได้ฟังสิ่งที่เราได้ทําในสิ่งที่เราได้ทําเราได้ยินมันก็เกิดแนวร่วมเมื่อเราไปดูหนังดูละครถ้าเกิดเแ้าร่วมแสดงไปกับเขาได้เขาล้อให้กขาล้องให้ไปกับเขาเาหัวล้อเขาหัวล้อไปกับเขา เขาสุกเขสุกไปกับเขาเอรโล้ทุกข์ก็ทุกข์ไปกับเขาเรื่กว่าแนว้ลวกอันนั่นแหละละครแต่ว่านี่มันไม่ใช่การแสดงละครมันเป็นปัจจักษ์ตังมันเห็นไม่ใช่มโนภาพมันเห็นมันเห็นการแสดงของกายของจิตในสิ่งที่เราเคยหลงวันนี้มันเห็นก้นบึง้ง ความหลงฉลาดอยู่ในความหลงในสิ่งที่เราเคยทุกข์เราเกิดความฉลาดในสิ่งที่เราเคยทุกข์ในสิ่งที่เราเคยสุขเราฉลาดในสิ่งที่เราเคยสุขนี่เรียกว่าเห็นความสุขความทุกข์ทำอะไรให้เราไม่ได้ว่นะการปฏิบัติทำมันเป็นไปอย่างนี้นะ ไม่ใช่ไปรู้อันหนุนรู้อันนี้ไปจำเอาไปเอาเทพอาจารย์ไปพูดจำเอารู้โอ้รู้อย่างนั้นรู้นี่ชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้แต่ตัวเราเป็นอย่างไรยังไปพึ่งอะไรอยู่หรือมันเป็นเรื่องของเราแท้ๆการปฏิบัติธรรมแม่นว่า คนอื่นจะขี้ผิดที่ถูกมันก็เป็นเรื่องของเราเช่นเราเอามือว่า ว, วางไว้บนเขาเราก็รู้ว่ามือวางอยู่บนเขาเราตะแคงมือตั้งไว้เราก็รู้ว่ามือเราตะแคงอยู่คนอื่นจะว่ามือเราไปที่ไหนเราก็ไม่เชื่อเพราะเราเห็นเวลาเราทุกข์คนอื่นจะบอกว่าเราสุขเวลาเราสุข <objectives> คนอื่นจะบอกว่าเราทุกข์มันก็ไม่ได้ เราก็เห็นอยู่เราก็แก้ของเราเองเราก็รู้ของเราเองมันเลียดด้วยตนเองอาศัยลําแข้งพอได้หลักมันอาศัยลําแข้งเดินไปได้เลยกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานเนี่ยมันไปได้เลยถ้ากรรมฐานอันใดคอยให้คนอื่นบอก ค, นอนคุณได้ยานเท่านั้นคุณได้ยานเท่านี้คุณเห็นนิมิตอันนั้นคนเห็นนิมิตอันนี้ก็เชื่ อ, ออาจารย์ ผนกําลังจะได้ชั้นนั่นชั้นนี้เชื่ออาจารย์ไปไม่ไม่ใช่เราต้องเห็นเราเองเราหลุดอะไรมาเราพ้นอะไรมาอมีประสบการณ์ในบทเรียนได้จากอะไรบทเรียนที่เราได้มันเกิดอะไรถ้าเห็นของกิง่งเห็นของเท็จมันก็จืดตายจืดได้ เป็นความหลงไม่มีใครไปเอาความหลงเพราะมันไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมกว่ามันก็จืดแล้วความหลงความทุกข์เราเห็นแล้วมันไม่จริงความไม่ทุกข์เป็นจริงเป็นธรรมกว่าความโกรธมันไม่จริงความไม่โกรธเป็นจริงกว่าแล้วใครบอกไม่มีใครบอกเราสัมผัสดูแล้ว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 จอดรักลักพระพุทเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเขาองค์ุริมานจับดาบไล่ฟันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังรักองคุริมานรักไม่ใช่รักเฉยๆจะช่วยเหลือด้วยจะช่วยเหลือไม่ใช่รักแบบหลอกหลอกรักแบบโลอกหลอกอันนั้นไม่ใช่รักเพื่อเอาอความหยาดความ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 ก็ในนั่นแล้วไม่แม้ใครไปเอาทํายังไงไม่เปลี่ยนอะไรกับอะไรรู้เห็นเอ้าหลักจริงๆคืออะไรเห็นเห็นมีแต่ดูมีแต่ดูมีแต่ดูดูแล้วก็ฉลาดดูแล้วก็เห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นนี่ว่าไปแล้วบัหลุดแล้วบัดไปแล้วพ้นแล้วพ้นแล้วพ้นอยู่ที่ไหนนั่งอยู่นี่ก็หลุดพ้น ยืนอยู่นี่ก็หลุดพ้นนอนอยู่นี่ก็หลุดพ้นควาอมหลุดพ้นเป็นศินละปะเป็นามาตรฐานมาตรฐานชีวิตพอมหลุดพ้นเป็นมาตรฐานชีวิตที่ได้มาตรฐานเหมืนกับวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้มาตรฐานมาตรฐานของวัตถุสิ่งของก็มีใช้ได้ อาสถานชีวิตเนี่ยไม่เหมือนมาสถานวัตถุสชิงของมันเลยไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาไม่มีอะไรที่เป็นภาระชีวิตลุ่นล่วนนะปฏิบัติทำ ม, มันไปแบบนี้ก็เห็นอยู่เนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็อยู่กับตัวหลอไม่เคยอยู่สุขโตไม่เชยอยู่ที่น้อยไม่เคยอยู่กับครูบาอาจารย์ไปศรัทธาครูบาอาจารย์ไม่ใช่ ศรัทธาการกระทำของเราเมื่อเราศรัทธาการกระทำของเราเราก็รู้ผู้บอกผู้ศอนเราก็เกิดรู้ผู้บอกผู้สรรผอ ผ, สผู้เป็นต้นสาหรับตาําราก็ศรัทธาต่อครูว่าอาจารย์ศรัทธาต่อพระพุทธธรรมประสงค์ศรัทธาแบบนี้ศรัทธาเก้าหนะ้าไม่ใช่ปุบปุบโผลเหมือนศรัทธาหัวเต่าไม่ศรัทธาหัวเต่า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 ขอรับเป็นธุระเรื่องนี้ไปอ้าหลวงพ่อเทียนก็มาฉันจริงจริสงชั่วโมงครั้งนึ่งอ้าวหลวพ่อฉันก็เอาพระพระบางรูป ก, ก็ไปอ้างว่าเป็นโลกกระเพาะก็ขอฉันอาหารนั่งกัน <c oughs> อหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าเ <c oughs> นี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ทํำยังไงดีก็เลยถ้าหลวงพ่อเทียนก็บอกว่ า, วาถ้า ผมสึกเราจะทําไงไนงะก็เป็นอย่างนี้พระก็ทําตามแบบนี้ก็ เ, เลยพูดว่าแม่หลวงพ่อเทีอนเสร็จผมก็จเจะ ก, กราบจะไหว้ไม่ได้เกี่ยวยังจะ ก, ก, กราบจะไหว้ไม่ได้เบื่อไม่ได้ถือว่าผิดแต่ว่าหาวิธีที่มันจะดีกว่านะี้แต่สิ่งที่ทําให้จิตใจเราเปลี่ยนไปเวลาหลวงพ่อเทีอนศึกไม่มี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 เป็นวัดว่าอารามมีที่อยู่ไม่ผู้บอกไม่ผู้สอนไม่ตัวไม่ตนมีข้าวปลาอาหารอยู่กันแบบนี้ให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเพื่อจะไม่เรียวเดียวได้ไปหลักเนี่ยมันไม่วัดว่าอารามวัดว่าอารามมีพระสองค์องเก้าวปธรรมวินยัย มาจากพระพุทธเจ้าเป็นนักปวดอยู่ในระเบียบอยู่ในอะไรมันก็ควรที่จะไม่ไม่ใช่เราจะไปตัวใครตัวมันอ้าวมาอยู่ด้วยกันมาปฏิบัติสุขบ้างทุกบ้างไม่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนของเราอยากกินอะไรมีตู้เย็นมีอาหารอยากนอนก็สบาย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 เราไม่เบียเบียนใครไม่บียเบียนตนเองก็เป็นส่วนรวมเหมือนกันแต่ว่ามันคัดแคบให้มันมากกว่านั้นไปบอกไกไปทำให้เขาดูไปอยู่ให้เขาเห็นไปพูดให้เขาฟังก็ควรที่จะให้มีจะ่ไปมีความสุขในบ้านในเรือนของตนอย่าไปอไปออกจะเป็นว้าเป็นหมู่เป็นเม็ดชักชวนเอาคนอื่นชวนคนอื่นไปอย่างนี้ก็ดีมั้ง